เปลนจากสิ่งเดวร้ายซึ่งเรียกว่าเป็นความหลงมากลายเป็นความดีของจิตได้ทําให้จิตร้ายกลายเป็นจิตดีทุกครั้งที่เรามีความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็เปลี่ยนจากจิตที่เป็นทุกข์ไปสู่ความไม่มีทุกข์เนี่สรุปแล้วความร้ายก็ดีความทุกข์ก็ดีมันเกิดจากความหลงเกิดจากความหลงของจิตหลงไม่กับอารมณ์ทุกครั้งที่เรามีความรู้สึกตัวเนี่ยเท่ากับทําให้จิตเนี่ยมัน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 เรามีปัญหาชีวิตมีความทุกข์แล้วก็หาทางออกของชีวิตไม่ได้ก็เป็นส่วนที่โชคดีที่ได้รู้จักกับครูบาอาจารย์หลวงพ่อคาเขียนรู้จักแนววิธีการปฏิบัติหลวงพ่อเทียนแล้วก็ได้รู้จักกับกัลยาณมิตรที่ฝากไปในการปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่ได้รู้จักบุคคลเหล่านี้และโชคดีขึ้นมีก็คือ เราได้รับการแนะนำแนะนำว่าให้เจริญสติสิคือการอาศัยกายที่เรามีอยู่นี่แหละให้เป็นประโยชน์ะกายที่มันพิการมันสร้างประโยชน์อะไรกับเราไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราเอามาใช้ประโยชน์ในการเอามาปฏิบัติธรรมเอามาเจริญสติตามดูตามรู้กายไปเรื่อยๆนี่แหละมันก็ช่วยทำให้เราเปลี่ยนชีวิตใหม่ได้โดยเฉพาะชีวิตของคนเราเนี่ มันนีไม่พ้นเรื่องของกายกับเรื่องของจิตก็เอาจิตเนี่ยไปรู้กายซะในอิรลียบท่างๆเพราะในแต่ละวันเนี่ยเราต้องมีการเคลื่อนไหวอยู่แล้วกายที่อยู่นิ่งๆเนี่ยมันทำให้จิตมันสงบไม่จิตมันหลับได้การที่เอาจิตเนี่ยไปรู้กายนเนืองๆในอิรลียบท่างๆเนี่ยมันเป็นธรรมชาติโดยเฉพาะคนทุกคนเนี่ยมันต้องมีการเคลื่อนไหวโดยที่ลีกเลี่ยงไม่ได้การใช้ชีวิต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 อาการของกายก็คือเรื่องของทุกขเวทน า, าซึ่งทุกคนในหลีกเลี่ยงไม่พ้นเลยใช่ไหมเราไม่ได้รู้แต่เพียงกายอย่างเดียวเ อ, อเราไปเห็นอาการาต่างๆเป็นทุกขเวทนาเราจะเข้าใจเรื่องของกายมากยิ่งขึ้นว่ากายเนี่ยไม่เคยแสดงความสุขให้เราเห็นเลยมันมีแต่เรื่องของความทุกข์ความร้อนความหนาวเนี่มันก็หิวเนี่มันก็จะขับจะถ่ายจะปวดจะเมื่อย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 แก้ทุกตรงนั้นได้แล้วก็มีความสุขสมมุติว่าความสุขมันก็สุขไม่จริงหรอกไปเดี๋ยวมันก็หิวอีกอ่ะอ๋อกายเนี่มันต้องมีทุกนะมันก็เริ่มมีการเห็นทุกของกายทุก เ, เวทนาเราก็เห็นกายเรามันเป็นความจริงอ๋อมันเป็นทุกแล้วเราก็จะไม่ค่อยจะไปยึดมั่นถือมั่นมาแล้วความทุกมันไม่น่ายึดมั่นถือมั่นหรอกมีไว้เรารู้เท่านั้นมันก็ไม่ใช่มีเฉพาะเวทนาอย่างเดียว<ข>มันยังมีความคิดปรุงแต่ง มันมีเรื่องของจิตด้วยมีเรื่องของจิตมีเรื่องของความคิดอ๋อเดมันก็คิดดีเดมันก็คิดไม่ดีในสิ่งสิ่งเดียวเก่าที่เราเห็นเนี่ยในคนคนเดียวกันที่เราเห็นเน่ยบางทีเราก็ว่าเขาดีเแล้วเปลี่ยนเป็นไม่ดีซะแล้วในช่วงระยะเวลาหนึ่งวันเนี่ยเร า, าเรามองคนเนี่ยเดี๋ยวถูกใจเดียว <Quiz> ไม่ถูกใจว่ากันไป<ฆ>สลับกันมาครับเนี่ยความคิดนี่ยมันก็เชื่อไม่ได้เหมือนกันแล้วเราก็ว่าเรามีความสุข ดี๋ยความสุขของความคิดที่ว่าสุขนั้นมันก็เปลี่ยนแปลงเป็นไม่สุขแล้วสิ่งนี้เราชอบเราชอบได้ไม่นานเดี๋ยวเราไม่ชอบแล้วโอ้ยความคิดเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้เลยเสมอเสม อ, สม อ, อเห็นความไม่เที่ยงความคิดไอ้เราก็อยากจะมันคิดดีๆอยากคิดแต่เป็นกุศลอยากคิดจะมีความสุขพออยู่ไปอยู่มาอ่ะความคิดไม่ดีใหม่แล้วความคิดที่เป็นทุกข์ใหม่แล้วแสดงว่าไอ้ความคิดเนี่ยมันเป็นอนัตตานะาเราเชื่อมันไม่ได้เลย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 เป็นปัญญาที่เกิดจากการไม่เจริญสติค่ะทีนี้มีคําถามที่ชัดตรงไปกว่านี้อีกนะคะอาจารย์ว่าเป้าหมายในการใช้ชูถ่วงอาจารย์ในโลกนี้และโลกหน้าเนี่ยเป็นยังไงคะ่ะอาจารย์เดินมาถึงจุดนี้แล้วค่ะปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนาด้วยวิธีกายานุปัสสนาสติปัฏฐานจนมีเพรา ะ, ะอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังมาเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วฉ็อตต่อไปแล้วค่ะอาจารย์มีเป้าหมาย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 ชีวิตเราเนี่ยอยู่อย่างไรมันก็ไปอย่างนั้นอาจารย์คะแต่ว่าผู้ปฏิบัติธรรมโดยส่วนมากโดยเฉพาะผู้ที่ทำอะไรได้เยอะหน่อยหรือว่าปฏิบัติธรรมได้ก้าวหน้าหน่อยเนี่ยนะคะท่านก็มักจะมีการอธิษฐานสร้างบารมีอย่างใดอย่างหนึ่งไว้นี่ก็มีเพื่อนของเราสงสัยมาละคะ่ะว่าแล้วสำหรับตัวอาจารย์กาพลทองบนุ่มเนี่ยนะคะได้เคยอธิษฐานสร้างบารมีอะไรไว้ไหมทั้งสาหรับโลกนี้แล้วก็โลกหน้า ถ้าหากว่าชาตินหน้ายังต้องเกิดอยู่อีกเนี่ยนะคะครับก็ไม่เคยคิดว่าจะสร้างบารมีอะไรนะคิดว่าทุกวันเนี่ยเราอยู่แบบมีหลักของชีวิตเนี่ยก็เพียงพอแล้วเหมือนเหมือนอย่างกับว่าบารมีเนี่ยมันมีแล้วต้องไปสร้างอะไรมันมีอยู่แล้วอย่างเช่นเราทานข้าวเราอิ่มแล้วอิ่มแล้วต้องไปทานอะไรเพราะฉะนั้นการอธิษฐานของบุคคลตัวไว้ก็อธิษฐานไปเถอะ การอธิษฐานเป็นสิ่งที่ดีอธิษฐานเพื่อจะให้จิตเราเไปสู่จุดนั้นใจกำลับบงจะบอกว่าดีสําหรับคนอื่นแต่สำหรับอาจารย์เนี่ยคิดว่าโอเคละไม่ต้องอธิษฐานอะไรอย่างนั้นแล้วเปล่าคะก็ไม่ไม่มีอนาคตไ อ, อย่างบางคนเขาปฏิบัติธรรมา ม, ามากๆเขาก็ปรารถนาเป็นพุทธภูมิหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อนุโมทนานะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีอธิษฐานสุดที่ดีแต่อย่าลืมว่าอธิษฐานนะไม่ใช่อ้อนวอน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 สวยที่สุดในโลกรวยที่สุดในโลกชลาที่สุดในโลกแล้วก็มีความพร้อมที่ในโลกเลยมันก็พอแล้วจะไปหาใครอีกล่ะมันพอใจแล้วลว่วางั้นเถอะแต่จริงๆความพอใจของอาจารย์ที่จุดนี้ก็ไม่ใช่ว่ า, าทุกอย่างในชีวิตสมบูรณ์ไปซะหมดเพียงแต่ว่าเราพอใจในจุดที่เรามีอยู่เป็นอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะครับมันมีความสุขที่เราจะแบ่งปันกันได้ในเรื่องแง่คิดคือคนเราเนี่ย ถ้ามีชีวิตยอยู่ด้วยความพอใจคพอใจในสิ่งเรามีเราเป็นแล้วก็ยอมรับกับมันได้ยอมรับแล้วก็พอใจเนี่ยผมว่าจะอยู่ที่ไหนจะเป็นอะไรเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาน ะ, ะเนี่ยอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยเดี๋ยวจะมีความสุขต้องรู้จักพอใจแล้วก็ยอมรับแต่ไม่ใช่อยู่อยู่แค่นี้นะเราก็ควรจะทำหน้าที่ของเราในฐานะที่เราอยู่ในโลกนี้อยู่แบบไม่เป็นอะไรเนี่ย แล้วมันจะเอาอะไรดนาะอันนี้ก็ขอฝากไว้ค่ะธรรมกาถาวันนี้นะคะก็เห็นทีว่าจะเอวังลงด้วยความที่ว่าแท้จริงสุขนั้นอยู่ใกล้เพียงจิตพอใจสุขเสมอทำดีดีดนปรนเปรอบำเรอใจสุขทุกเมื่อเอย่ย